ب ิ سمILLAH ิญราะห์มาญุราะห์อิมอันหะมดุลิลลาห์ราะบีนาดะมิน و ب ه نستاين ا ل ل ه م ص َ ع ل ى م ح م د ا ل س ل َ م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ُ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 อายาที่42ถึงอายาที่46สุหะตุนอิสระนะครับ42 43 44 45 46 5อยายะเนื้อหาในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับการศรัทธาจากที่สอนดับซีดมาเนี่ยนะครับ จะครึ่งเล่มแล้วนะสังเกตเห็นผู้ฟังชอบในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องปกตินะครับในก้ออ่านเนี่ยแบ่งเนื้อหาเป็นสามหมวดหลักๆก็คือหนึ่งเรื่องการศรัทธานะการศรัทธานี่ครอบคุมทั้งอัลลอ์ด้วยนะครับดูกลุ่มานหกประการแหละนะนะนะบีด้วยมัเลกาด้วยคัมพีด้วยวันอาคิรอด้วยนะครับแล้วก็กอดอกกัด นี่เป็นเนื้อหาหนึ่งในสามของข้อพระอ่านสามส่วนนี้ไม่ได้ไหมายความว่าต้องมาแบ่งอายะกันเป๊ะๆนะโดยประมาณหนึ่งหนึ่งในสามคือเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาจะพูดถึงศรัทธาด้วยแล้วเตาฮีต ด, ด้วยนะครับคือทําให้อลล้อเป็นหนึ่งมีพระเจ้าองค์เดียวให้เอกภาพตอนล่อเนี่ยในขนาดเดียวกันก็กล่าวถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีต ด, ด้วยก็คือการตั้งภาคีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทาไมเอ่ย อยู่ในหมวดการศรัทธาเนื้อหาในส่วนที่สองเกี่ยวกับอาการหุกกมต่างๆนะครับถ้าทำแบบนี้แล้วจะทำยังไงแบ่งมรระตรอย่างไงอยู่ไหนก็อ่านนะนะครับทำศีนาลงโทษยังไงนะครับอาการต่างๆละหมาดยังไง ในส่วนของอาการเนี่ยนะครับส่วนมากทำไมเอ่ยจะมีผ้าขยายไปที่ฮัดิสเช่นการละหมาดแต่ว่าอะไรละเอียดของการละหมาดเนี่ยก็จะอยู่ในฮัดิสเนื่อออกมาส่วนที่สามเป็นส่วนของประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นชีวประวัติส่วนบุคคลหรือว่าเป็นประวัติกลุ่มชนที่ถูกทำลายไปแล้วประวัติบีมงมัด หรือประวัติคนที่เกี่ยวข้องกันนบนบีมูฮัมมัดเวลาพูดถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็จะมีพวกมักกะในสมัยที่เป็นผู้ตั้งภาคีด้วยก็อยู่ในหมวดเดียวกันเวลาพูดถึงน บ, บีมูซาไม่ใช่เฉพาะน บ, บีมูซาอย่างเดียวเวลาดําเนินเรื่องไปเนี่ยมันจะมีฟิร์อาวด้วยมีน บ, บีฮารูนมีชาวบริฮิสรา อ, อินเกี่ยวข้องไปหมดที่เราผ่านมาเนี่ยเห็นชัดชัดคือในสุรยูซุฟ เวลาพูดถึงน บ, บียูซุปเนี่ยเนื่องจากเป็นซีรีส์ที่ให้รายละเอียดเฉพาะน บ, บียูซุปเลยสิ่งที่เราเห็นมากกว่านั้นคือสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตผู้คนนะมีนางสุไลคอชื่อสุไลคอเนี่ยไม่ได้กล่าวในกุ้อ่านด อ, อกแต่ว่านักวิชาการให้ลงความเห็นส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าชื่อสุไลคอแล้วก็มีสภาพสังคมของสตรีในสมัยนั้น เราเห็นว่านานสวยคอมีการพบปะกันกับมู่สตีด้วยกันเจอกันนะครับสตรีชั้นสูงในเมืองเห็นสภาพการกองคาราวานที่เดินทางเห็นเส้นทางซื้อขายการค้าขายมาเก็บนบียุซุปไปถึงอียิปต์นะเหล่านี้คือทําไมเอ่ยคือสิ่งที่เราเห็นบริบทรอบจากสิ่งที่ก็อ่านเล่าให้ฟังนั่นคือสามส่วนหลักๆ คันนี้เวลาสอนตับซีเนี่ยจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่สมรรถากจะคล้ายๆกันชอบฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดทสาบเรื่องราวมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเยบาแต่คนฟังคนคนสอนก็ชอบนะเด้กคนได้อ่านนะครับแต่ว่าเนื้อหาบางทีเนี่ยเนื่องจากเราสอนไล่ไปเลยตั้งแต่อลิฟรามีบาคาร่าไล่มาเลยเนี่ยนะครับจริงๆเริ่มแต่ฟันธีชาและไล่มาเลยเนี่ย เนะะืน่อหาบรรทอมันก็เลือกไม่ได้นะนทีเป็นหลักศรัทธาวัน ท, นทีเป็นปุกกรมอ า, ารามซึ่งตัวผมต้องบอกก่อนเรื่องอ า, ารามเนี่ยผมอ่อนมากอ่อนที่สุดแหละนะครับเอื่องประสาทพอได้เรื่องหลักัทธาพอได้นะเพราะว่าฟิกไม่ชนานาญเรื่องฟิกวันนี้เนี่ยนะครับอายะที่สี่สองถึงอายะที่4ี่สิบหกเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธานะผมก็จะพยายามโยง ไปที่ตัวอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นภาพแล้วก็อันไหนโยนเกี่ยวกับประวัติได้ก็จะโยมเพราะว่าคนฟังก็ชอบคนพูดก็ชอบนะอ้าวในอายะ ท, ที่สี่ิบสองครับอัลลอฮตรัสไว้ว่ากุลจงกล่าวเถิดนะกุลจงกล่าวเถิดลาวกานมามะอูอาลิฮะตุนนะถ้าหากว่า มีพร้อมกับพระองค์คู่กับอัลลอฮ์เนี่ยอาลิฮะตุนเจ้าองค์อื่นกามายกูลูนเหมือนกับที่พวกเขากล่าวอ้างกันก็อานอันที่เป็นสมมติฐานนะครับตั้งโจทย์ลองคิดดูสิไม่ได้บอกว่ามีพระเจ้าอื่นคู่กับอัลลอฮ์จริงนะสิ่งที่พวกเขาอ้างกันก็คืออัลลอ์ก็เป็นเจ้าเป็นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีเจ้าอื่นด้วย ซึ่งอิสลามในปฏิเสธประเด็นนี้อย่างหนักแน่นพระเจ้าต้องมีองค์เดียวไม่เป็นไรอันนี้สมมุติดูนะครับเราถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นหละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูได้ถ้าหากว่ามีเจ้าอื่นเนี่ยคู่กับอัลลอฮ์กามายกูลูนเหมือนกับที่พวกเขาอ้างกันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูนะครับขณะนี้เราก็อาจจะเห็นคําตอบจาก ทำไมเอย่ยความเชื่อหลายๆความเชื่อซึ่งมีพระเจ้าหลายองค์เวลามีพระเจ้าหลายองค์แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเย่อ่านให้จบอญญายะก่อนแล้วค่อยมาอธิบายอีดัลลัตะเกาอิลาตินอารชิสซาบีลานะครับถ้ามีหลายองค์นะทำไมเอย่ยพวกเหล่านั้นก็จะแสวงหาไปสู่คู่ครองบาลัง หมายถึงว่าถ้ามีพระเจ้าหลายองค์สุดท้ายมันก็ไปจบลงที่เจ้าที่มีอำนาจสูงสุดเวลาที่พูดถึงความเชื่อที่มีเจ้าหลายองค์มีศีลใส่สิทธิหลายองค์เนี่ยมันจะเป็นระดับชั้นแล้วแต่ บ, บุญฤทธิ์เดชบรารมีเนี่ยนะครับเทพเจ้าหลายองค์มันจะมีมันจะมีข่มกันด้วยนะครับนะนะน้าน้เทพองค์นี้แพ้ทางองค์นี้นะครับ อ้าวย่างอย่างความเชื่อต่างๆเช่นอย่างพญานาคเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้ดูถูกความเชื่ออย่างพญานาคที่เป็นค่อนข้างจะมีเอมีที่มีทางในความศักดิ์สิทธิ์ในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับพญานาคจะเป็นมังกรก็ดีอยู่ในความเชื่อประเทศแถบนี้พญานาคแพ้ใครอา้าวแพ้คุด นะครับคุดนี่แหละตัวจัดการกับพยานาตเห็นมถ้ามีเจ้าหลายองค์เนี่ยต่างคนก็ต่างมีอำนาจแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไปยอมจำนนต่อองค์ที่มีอำนาจสูงกว่าคมกันนะครับอ้าวคุดก็ยังเป็นพาณนะ ไม่เดชะ จ, จะเป็นพาณิชของเทพเจ้าเป็นพาณิชลายอะไรกันแล้วแต่สุดท้ายก็เป็นอันดับชั้นอันดับชั้นขึ้นไปแล้วก็จะไปจนที่อิเดลลับตะเราอีลาลินอัคชิสามีลาก็จะไปจนกับอำนาจสูงสุดความเชื่อในแถบนี้อาจจะเป็นพระอินอาจจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเจ้าสูงสุดแล้วก็เจ้าอื่นเทพเจ้าก็มีอำนาจรองลงมาคราวนี้คำถามก็คือว่าถ้าหากว่ามีพระเจ้าหลายองค์เนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็จะไปจบที่เจ้าสูงสุดอยู่ดีต่อให้มีพระเจ้าหลายองค์จริงสุดท้ายก็จะไปจบที่เจ้าสูงสุดอยู่ดีแต่ไม่ใช่ไหมความมั่าคั่ยอมรับนะว่ามีพระเจ้าแล้วอันนี้เป็นการชวนคิดเฉยๆนะครับการมีพระเจ้าหลายองค์เนี่ยการตั้งพาคีจริงๆแล้วเนี่ยเราคุ้นเคยกับการเอาเบริบทของ สมัยท่านนาบีมาอธิบายหรือว่าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัรอ่านเช่นฟิร า, ราอ์อะไรก็แล้วแต่มีพระเจ้าหลายองค์มีอัสนามลูกปัน้นมีจเจวิตมาอธิบายในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยความเชื่อในลักษณะแบบนี้ก็คือมีเจ้าหลายองค์ ขณะนี้ถ้านักวิชาการนะครับหันมาสนใจบริบทของพื้นที่ในแถบนี้จะเป็นไทยก็ดีจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับจะช่วยอธิบายเมื่อเราศึกษาสิ่งที่เป็นภาคีมีกระบวนการอย่างไงมีประวัติอย่างไรเข้าใจรายละเอียดแล้วเราก็จะเห็นเตาเฮต์ชัดมากขึ้นเวลาศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะศึกษาตรงนั้นโดยตรงก็ได้หรือว่าศึกษาสิ่งที่ ตรงกันข้ามกันมันก็สะท้อนภาพไปเห็นชัด น, นะครับเราไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าเ อ, อ่อความเข้าใจตรงแถบนี้เพราะว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการตั้งภาคีสูนมากเราก็รับมาจากนักวิชาการในแถบตะวันออกกลางจะเป็นอารับกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเองหรือว่าในแถบเอเชียคานเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจเยอะเกี่ยว ก, กับความเชื่อในลักษณะที่เป็นการตั้งภาคีนะ ถ้ามีพระเจ้าหลายองค์จะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีลำดับชั้นของมันสุดท้ายจะไปสุดที่เจ้าสูงสุดในความเชื่อท้องถิ่นตรงเนี้นะครับนะแต่ก่อนจะไม่มีประเทศไทยประเทศตัวประเทศนี้นะในลินแดนแถบนี้เนี่ยสูงสุดเป็นไรเอ่ยสูงสุดก็ถือเป็นพญาแถนคือยังไงครับแถนไหมแสแอถอถุงนอหนูพญาแถนนี่จะเป็นเจ้าสูงสุดเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าต่ําลงมา อาจจะเป็นเจ้าใหม่จากความเชื่อมือผะสมกันไปสุดท้ายก็ไปจนกับพยาแทนอันนี้ก็เป็นลนักษณะถ้ามีเจ้าหลายองค์จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยอธิบายตรงนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยกระบวนการการนับถือการตั้งพาคีเนี่ยนะครับก็ยังสามารถยกระดับบุคคลเนี่ยให้ไปถึงกับพระเจ้าได้มาถึงกับพระเจ้าสูงสุ ด, สดอาจจะเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นบรพระบุตรที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าตายไป ก็จะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นสารบูชาในบ้านซึ่งเรากลับรับมาก็คือพวกสารประภูมิ เ, เนี่ยเป็นความเชื่อที่สืบทอดลงมาอันนี้อย่าเพิ่งไปพูดประเด็นผิดถูกไม่ต้องคุยกันนะครับเห็นประเด็นว่ามีลักษณะอย่างไรบรรพบุพรบุษที่ตายไปแล้วเนี่ยก็จะบูชาในบ้านแต่ว่าถ้าผ่านมาเนี่ยกลายเป็นทพ่อแม่ปู่เนี่ยสามชั่วอายุคนเนี่ยปู่ของปู่นี่ก็ยังอยู่ในบ้านแต่ถ้าเกินสามชั่วอายุคนไปแล้วเนี่ย ความศักดิ์สิทธิ์มันจะมากขึ้นไม่ใช่แค่คุ้มครองคนในบ้านคนในครอบครัวแต่คุ้มครองหมู่บ้านก็จะเป็นเคือกเสื้อบ้านเสื้อเมืองผีบ้านผีเมืองระดับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปน่าสนใจนะคนที่เป็นพระบรรด์คนนี้คนที่เป็นลูกหลานเนี่ยเวลาที่จะสลัดออกจากการตั้งภาคีน尼เพราะทําไมต้องกับสลัดออกจากการเคารพวงตระกูลตัวเองมันก็จะผูกกันหลายเรื่องเวลาเราเผยแพร่อิสลามเนี่ย บอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่เจ้านะฉะนั้นจึงไม่คู่ควรกับการกราบไหว้เวลาเผยแพร่อิสลามแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะสิ่งที่ขัดเนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อหาเจ้าองค์เดียวเตาฮิดกับเจ้าหลายองค์การตั้งปาคีแต่มันไปขัดกับวิถีชีวิตเขาด้วย มันเป็นปู่เป็นย่าเขาที่เขากล่าวไหว้กันอยู่มันเป็นวิถีชีวิตมันมีวันซึ่งปีหนึ่งลูกหลานที่ออกไปทํางานที่อื่นจะกลับมาเจอกันเวลาเราเผยแพร่อิสลามเนี่ยเราต้องเข้าใจให้มากกว่าตัวเนื้อหานี่แหละเขาเรียกว่าฮิกมะความเข้าใจที่ลึกซึ้งเวลาเราเถียงกับคนเนี่ยเถียงแพ้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนเราชอบเชิญคนมาดึงคนมามาพกเถียงกันด้วยเหตุผลกันพอแพ้แล้วเอา้าเถียงชนะก็เถียงไม่ออกแล้วทําไมเขาไม่เปลี่ยน มันไม่ใช่ของเรื่องเหตุผลมันเป็นวิถีชีวิตเขามีหลายประเด็นมากนะครับเอ่อจริงๆไม่อยากแต่นะประเด็นการปกครองรเมืองเมื่อคืนเนี่ยซอยห้าสมก็มีประเด็นเหมือ น, นกันนะคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ถกเถียงเหตุผลมาถกเถียงกันแต่ว่าเราอาจต้องเข้าใจลึกไปกว่าเหตุผลทําไมเขาไม่เปลี่ยนความคิดทําไมเขาอยู่ตรงข้ามเราทำไมเขาเห็นไม่เหมือนเราบางทีเขาก็ ไม่เข้าใจตัวเองไม่สามารถจะพูดออกมาได้ไม่สามารถจะเหตุผลออกมาตรงๆได้ก็ต้องทำความเข้าใจกันฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกซึ้งนะครับผมไม่าการแตะมากมา ก, กันคอามานจะอ่อนไหวนะอ้าวกลับมาประเด็นนี้ต่อถ้ามีพระเจ้าหลายองค์จะเป็นยังไงนะครับถ้ามีพระเจ้าหลายองค์สุดท้ายมันจะไปช น, นที่พระเจ้าสูงสุดนะมันจะไปช น, นที่พระเจ้าสูงสุดแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการตั้งภาคีเนี่ยผมคิดว่าแถบนี้เนี่ย อุดมไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งภาคีน่าศึกษาหน้าคนา้นคว้าหน้าวิจัยเรายังไม่ค่อยนําเสนอกันนะครับผมจะพูดเองก็ไม่รู้ไม่ลึกด้วยนะครับจับมาบางประเด็นนํามาพูดได้เหมือนกันแต่ลึกไม่ไม่ลึกนะอายาที่สีออ่สิบสาครับอายาเนี้อัลลอฮ์ตรัสว่าซุบะฮานะหูอุวะตาะอาลลอัมมาญกูลูนาะอูลูวันกาบีรอนะเวลาอ่านต้องอ่านลงเสียอุลูวันกาบีรอนะครับแต่ผมพยายามอ่านแบบ เป็นคำๆจะได้แปลได้นะครับต้องมาอัพ้วยเสียงก็ไม่ดีด้วยนะคราวนี้เมื่อกี้สมมติสมมติว่าถ้ามีเจ้าหลายองค์จะเป็นยังไงกูอ่านบอกว่าถ้ามีเจ้าหลายองค์เนี่ยคนก็แย่กันกาบไหว้กางวายแต่สุดท้ายก็จะไปจำนวนต่อเจ้าสูงสุดจริงไหมอ้าวก็ลองศึกษาวิเคราะห์ดู อย่างไรก็แล้วแต่อายะห์ที่สีิบสามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแค่การสมมุตินาะแต่ว่าสุบฮานะหูวะตอาละอัมมายักอูลูเนาะอูลูวันกะบีาะแม้ว่าจะเป็นการสมมุติอย่างสุบฮานาลลอสุบฮานาลลอแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยปลอดรอดพ้นบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นก็คือการตั้งฟาคีซึ่งแม้ซึ่งแม้แค่เป็นการสมมุติเมื่อกี้แค่สมมตินาะไม่ได้จริงนาะ สุบฮานัลลอฮ์ะนะครับอลัลลอฮ์รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เราการทำการตัสเบียนเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์เนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือมหาบริสุทธิ์แด่อลัลลอฮ์นะซึ่งคนไทยแล้วอย่างเราเองก็ยังก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมหาบริสุทธิ์แด่อลัลลอฮ์เนี่ยมันจริงจมันแปลว่าไงนะครับก็ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีแต่ว่า ไม่รู้จะแปลยังไงแลยเพราะว่าคํามันสุดแค่นั้นสุบานอลัลลอฮ์มหาบริสุดเดียอลอัลลอฮ์ก็คือเราต้องการบอกว่าอลัลลอฮ์เนี่ยบริสุธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับสิ่งที่พวกเขาอ่างมาจะเป็นเจ้าองค์นั้นเจ้าองค์นี้จะเป็นบอกอัลลอฮ์มีลูกลูกชายลูกชายคือใครก็คือลูกปั้นที่เขากราบไหว้อลัลลอฮ์ก็ยังมีลูกสาวด้วยลูกสาวคือใครลูกสาวคือบรรดามารีคาอลัลลอฮ์ก็ยังมีลูกคืออุไ�อิบนุลอ คืออิซาบุดราามะระยมจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเวลาเกี่ยวกับการตั้งภาคีหรือว่าลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะครับสุบฮานอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะเหล่านั้นเวลาเราพูดถึงสุบฮานอัลลอฮ์เนี่ยนะครับความหมายมันเป็นแบบนี้ที่เซนส์ที่สุดอ่อนไหวที่สุดก็คือภาคีเนห้ามมายุ่งกับอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์จะเป็นภาคีแบบเล็กน้อยภาคีใหญ่ภาคี ขอแค่ความเป็นเจ้ามานิดเดียวก็พอนะครับอลัลลอฮฺเป็นเจ้าละหมาดครบทุกวันแต่ขอตะกุดอันเดียวเท่านั้นที่ขอแขวนไว้ที่คอเพราะว่าแขวนกันมาสี่ชั่วอายุคนแล้วนิดเดียวข อ, อนิดเดียวได้ไหมนะครับก็ยังสุบะฮา น, นลัาลลอห์อัลลอฮฺเบลลุสุดจากภาคีและก็อํานาจอื่นๆนะครับนี่คือความหมายของคมสุบะฮานัลลอห์ไม่แค่แค่เบลลุสุดอย่างเดียวครับวาตาอาลายังสูงส่งกว่าเหนือกว่า นะครับอา ม, มายากูลูนะอุลูวันกามิรอเหนือกว่าเหนือกว่าอย่างมากอุลูวันนี่เน้นคำหนึ่งนะว่าตอาลาเนี่ยคือสูงส่งอุลูวันเนี่ยเอามันเป็นภาษาอาหรับก็คือเอาเอาคำคาเดียวเนี่ยมาทำเป็นกรรมอีกทีหนึง่ง ยกตัวอย่างมัจะยกตัวอย่างไงนะครับก็คือฉันกินข้าวกินจริงๆประมาณเนี้ยเอากินที่เป็นเกลือยาเนี่ยมาทําเป็นเป็นค ร, รมีกทีนึงเพื่อต้องการเน้นว่าความหมายมันหนักแน่นแล้วก็กระบีรอเน้นไปอีกทีนึงว่าอัลละฮฺสูงส่งกว่ายิ่งจริงๆอย่างใหญ่หลวงเหนือขึ้นไปอีกนะครับเน้นถึงสองครั้งสามครั้งฉะนั้นการตั้งภาคีกับ เตา h e a หลักสัตยานอิสตามไปด้วยกันไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะสมานฉันปรับแต่งอะไรกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้เลยทําไมถึงยืนยันอย่างนี้หลายครั้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสมัยท่านนาบีเองเนี่ยมีความพยายามหลายครั้งครับที่จะเจรจ า, ากับท่านนาบีเวลาละอาบทศัพท์ในนครมักกะสิบสาปีเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งและสนธิใจความรุแนแรงอันเดียวนะ เราอ่านก็คือมีคนมาดักที่ตออีฟเอาหินขว้างเออหญิงชาวเยโฮดีเอาขยะมาทิ้งไม่ได้มีลักษณะที่รุนแรงอย่างเดียวนะมีลักษณะประนีประนอมด้วยส่งคนมาเจรจาโมมัดนั่งคุยกันหน่อยสิอิสลามเป็นแบบนี้ใช่ไหมความเชื่อคุณโอเคเราก็มีความเชื่อเราทํำยังไงดีจะไปด้วยกันได้ อันี้อัลลอฮ์ของคุณเนี่ยเรายกทเลยเป็นพระเจ้าสูงสุดให้ให้เกียรติคุณเลยแต่ว่าลูกปั่นของเราที่มีอยู่เนี่ยขอเป็นลูกชายได้ไหมแะมีการเจรจาเกิดขึ้นหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้ในทางความเชื่อเ อ, ออาจจะดูไม่จริงใจไม่จริงจังใช่ไหมเราขออันนีด้ดีกว่าแรกกันเลยคุณมาอิบาร์ด้าพระเจ้าเราเราจะไปอิบาร์ด้าพระเจ้าคุณเองผัดกันเลย ไม่ใช่แค่เจรจารในเชิงทฤษฎีเชิงคำพูดด้วยการปฏิบัติแบ่งกันเลยสามเดือนก็ได้หกเดือนก็ได้หนึ่งปีก็ได้นั่นคือที่มาของกุณยาอายุอันกาสิรูนอรอนะันาบีต่อไปว่าจะแลกอิบาดากันก็ไม่เอานะปฏิเสธตลอดนะอา้าวไม่เป็นไรเราคุยคุณไม่ฟังใช่ไหม งั้ส่งคุณที่คุณไว้ใจที่สุดใครที่คุณไว้ใจที่สุดพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้วปู่ตายไปแล้วคุณที่คนไว้ใจที่สุดแล้วก็เป็นกลางที่สุดนี่หลักการเจรจ า, าตามหลักการนะใครเป็นกลางที่สุดระหว่างนาบีกับชาวกุเรชอบูตอเลบเป็นลุงนบีเป็นญาตินบีนบีไว้ใจรักนบีจริงปกป้องนบีจริงในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมีความเชื่อตรงกับ พวกตั้งปากีในนครมากันฉะนั้นอบูตอริฟนี่นแหละเป็นกลางที่สุดแล้วส่งคนที่เป็นกลางที่สุดที่ทุกฝ่ายยอมรับมาเจรจ า, ากับนบีอบูตอลิฟกลมาหลานหยุดเผยแพร่ได้ไหมพวกนั้นให้มาเจรจ า, าจะเอาอะไรบอกมาข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยมาจะให้หยุดอย่างเดียวม่นจะบังคับให้หยุดนะมีข้อแลกเปลี่ยนด้วยพอใจอันไหนเสนอมาเลยตามหลักการเจรจ า, ามาก นบีก็ยังยืนยันว่าต่อให้เอาดวงอาทิตย์มาไว้ที่มือขวาดวงจันทร์ไว้ที่มือซ้ายด้วยกับสภาพสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่ก ด, ด้านมากขนาดไหนก็นแล้วแต่ฉันก็จะไม่หยุดในการเผยแพร่เช่นนี้ว่าไปกันไม่ได้เลยอัลลอฮ์กับการตั้งคาคีเตารฮีกับการตั้งควาคีนะครับไปกันไม่ได้มีความพยายามมาแล้วนบีก็ยังปฏิเสธแค่นี้เวลาที่เรากลับมาดูบ้านเราจากความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมเนี่ย ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยศาสนาพุทธมากนะครับแต่ก่อนที่จะพูดมาเนี่ยมีพาม์มาก่อนก่อนจะมีพารามามีความเชื่อท้องถิ่นมาก่อนผีปา่าเจ้ปาป่าเจ้าเขาพญานาคอะไรก็แล้วแต่เวลาที่มีความเชื่อไหนมาทับความเชื่อไหนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดประเด็นถูกผิดนะไม่ได้ทับกันหมดนะก็ยังมีเขาเรียกว่าลักษณะผสมประสานพญานาคที่เป็นความเชื่อท้องถิ่นก็ยังไม่หายไปยังปรากฏตัวอยู่ในพามณ์ปรากฏตัวอยู่ในพุทธด้วย เห็นไหมมันมีสนาผสมประสาคนคราวนี้เวลาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอิสลามเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วซึ่งมีความเชื่อดังเดิมทับกันมาสามสี่ชั้นเนี่ยนะครับอิสลามจะปรับยังไงจะปณีประนอมไหมเอานาคมาไว้เช่นนบับีเราจะบอกว่าตอนนบีไปรับอิสราอลวนันเมรอดเนี่ยขีพญานาคไปได้ไหมถ้าดบี้ขีพญานาคไปนะไปกันได้เลยครับอิสลามกับความเชื่อท้องถิ่น เบรกนี่เป็นอะไรเป็นพญานาคขีพญานาคไปรับประมานเนี่ยอิสลามจะไม่มีปัญหาเลยครับไปกันได้กับความเชื่อท้องถิ่นผสมประ ส, สานกันไปแต่ว่าไม่สามารถประนีประนอมในหลักความเชื่อได้นะครับสุปาหานอวตารและอา ม, มายกูลูนาอูลูวันกเบรโประโยคตรงนี้ทําไมเน้นหนักครับว่าอิสลามกับการตั้งพาคีไปด้วยกันไม่ได้เล็กน้อยก็ไปด้วยกันไม่ได้นะอา้าวต่อมาครับในอายะห์ที่สี่บสี่อัลลอฮ์ตรัสด้ว้ว่า เวลาเราพูดสมมุติเนี่ยนะครับผมออก็ต่อสุภาห์ละล้อด้วยนะครับแม้จะเป็นการสมมุติเนี่ยก็ยังบางทียังมีความไม่เหมาะสมนะสุภาห์ละล้ออายะที่สี่สิครับทุสัปบิฮุลฮหุสัมาวาทุสัปบิหูวันอารูวามันฟีหินน่ะอัลลอฮ์บอกว่าทำไมเอ่ยชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินนั้น ฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดินหรือว่ามันฟีหินหน้าแล้วก็คนอยู่ในระหว่างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดแล้วก็แผ่นดินเนี่ยทําไมเอ่ยตูซบเบหุลาหูทําการตัสเบียต่อ a l AH> ล a h วันละที่เราพููสุบภานั่นล่อเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์พูดอย่างเดียวนะสิ่งต่างๆทุกอย่างในโลกนี้นะครับนะแล้วก็สิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างสรรเสริญต่อร่อดเหมือนกัน ยืนยันว si ่าอ eh ัลลอฮ์ทำไมเอ่ยบริสุทธ um ิ์จากการตั <lesbian> ้งพาคีจากลักษณะที่ไม <Larry> <mod els> <im> ่เหมาะสมเดี๋ยวแปะให้จบก่อนนะครับว่อิมบินชัยอินอินลาอูซบบิฮุบิฮัมดีฮีนะว่อิมหน่งเสียงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชั้นฟ้าแผ่นดินแลวามันฟีหินหน้าและผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนาแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่อยู่ระหว่างนั้นทุกสรรพสิ่งก็ทําการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ว่าแล้วกินลายกอฮูนะตัสมีฮาุมแต่ว่ามนุษย์ต่างหากที่ไม่เข้าใจการสรรเสริญของพวกเขามาถึงสงรรพสิ่งต่างๆอินหูการนาคารีมันูฟูรอนะครับแทจิงอลลอนั้นเป็นผู้ที่คารีมันเป็นผู้ที่มีอันนี้ก็แปลว่าหนักแน่นนะครับบางทีแปว่าขันตินะแล้วก็อฟูรอเป็นผู้ที่ทรงอภัยเสมอ อาヤ น, นี้บอกว่าฟ้าและแผ่นดินสังเกตเวลาฟ้าเนี่ยนะครับสามาวาตุซาบาอูนะฟ้าทั้งเจ็ดนะครับและแผ่นดินฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ยเวลาเราพูดถึงฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ยนับเวลาเลขเจ็ดในภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนก็อธิบายว่าเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ดคือจํานวนที่อยู่ระหว่างหกกับแปดบางคนก็แปลว่าเจ็ดเนี่ยหมายความว่ามากกว้างใหญ่ ไม่ได้แปลว่าจํานวนเจ็ดหลังจากหกจริงๆนะนึกออกไหมเช่นตัวอย่างเช่นการอธิบายนะครับเวลาเราก็อ่นานเนี่ยมีกีรราะสซาบ ะ, ะการอ่านทั้งเจ็ดแต่ว่าเวลาเราค้นสายรายงานมาแล้วกีรราสุตาวารติร้อนเนี่ยที่อ่านได้ถูกต้องเนี่ยมีถึงสิบแล้วก็มีกีราะาสแบบอื่นแบบชาร์จเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเจดเนี่ยไม่ใช่จํานวนที่จะมาล็อกว่าเจ็ดคือเจ็ดแต่หมายถึงมากมาถึงกว้างฉะนั้นชั้นฟ้าเนี่ยนะครับ เวลาพูดถึงเจ็ดไม่ได้แปลว่าชั้นที่เป็นเลเยอร์เหมือนอะไรเละกินเน้อกระทนนะเนี่ยเป็นชั้นๆอย่างนั้ น, นไม่ใช่อันนี้ชั้นหนึ่งนะชั้นสองชั้นสามไม่ใช่มาถึงฟ้าทั้งหมดที่กว้างออกไปครอบคุมถึงจักรวาลทั้งหมดสันเสริญต่อละแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่อันอาบดุเนี่ยนะครับก็สรนเสริญต่อละว่ามันฟีหินหน้าผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน ที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยนะครับเราทราบว่านอกจากคนแล้วเนี่ยอี่เห็นนางมีสัตว์สัตว์นี่ก็บแบ่งไปอีกนะตระกูลสัตว์มาลงมาแรงสัตว์สีเท้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําพืชพืชที่จะใช้มันหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บางอย่างแยกอย่าพวตระกูลเชื้อราตระกูลมอสแบคทีเรนเต็ไมไปหมดเลยกูอ่านบอกสิ่งนะต่างเหล่านั้นทําไมเอยทําการสันเริญต่อหร อันนี้สิ่งมีชีวิตว่าอิมบินชัยอิลาอยู่ซับคุบิฮัมดีฮีและก็ไม่เว้นเลยครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังทำการสรรเสริญต่อละคำถามคือสรรเสริญยังไงเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราใช้เสียงนานในการตัสเบียต่อลัลลอ์สุบฮาน ล, ละบอกว่าอัลลอ์บริสุทธิ์จากพาคีเจ้าจอมปองตา่างๆเนื่องจากมนุษย์เนี่ย ไม่ใช่สัตว์ทุกประเภทในโลกนี่นะที่มีความสามารถในการผลิตไม่ใช่แค่ผลิตเสียงนะแบบนกแก้วนกขุนทองนะเป็นเสียงที่เป็นภาษาสื่อสารได้ซับซ้อนได้นกนกแก้วนกขุนทองเนี่ยแล้วได้สมชายมาแล้วสมชายมาแล้วสมชายมาแล้วนะสมชายมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ภาษาเป็นการเรียงเสียงแต่ถ้าเป็นมนุษย์สมชายมาแล้วเมื่อวานแต่วันนี้ยังไม่มาไอประโยคซับซ้อนซับซ้อนแบบเนี้ย ไม่ว่าเพราะวราพ่อแม่เขาไม่ให้มาทําไมแม่เขาไม่พ่อแ ม, เม่เขาป่วยเขาก็เลยไปโรงพยาบาลประโยคที่มันซับซ้อนซับซ้อนแบบเนี้เป็นภาษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์สัตว์ทําไม่ได้ปะวานมีการสื่อสารกันเองลิงก็มีการสื่อสารกันเองสัตว์บางชนิดมีการสื่อสารกันเองแบบของมันแต่ว่าจะเอาประโยคมาเรียงซับซ้อนแบบที่มนุษย์ทํำเนี่ยทําไม่ได้มีสัตว์ประเภทไหนบ้างที่จะมาตั้บซีดแบบเนี้นะครับ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยยากนะ น, นกแก้กวผมว่าสิประโยชก็เก่งแล้วนึกออกไหมอะไระการสื่อสารของสัตว์บาชนิดก็มันก็มีเพึ่งก็มีการสื่อสารเอาเล่าให้ฟังเวลาที่มันบินแล้วมันก็สายก่นสายไอไรเนี่ยเขาก็ไปจดบันทึกปรากฏเรามีการสื่อสารประมาณ30รูปแบบไปทางขวาทางพระอาทิตย์ไปทางซ้ายแต่ว่ามันจํนจากัดจะมาสื่อสารเนื้อความที่มันซ้ําซ้อนแบบเนี่ย แต่ว่าเพราะว่าอย่างไรก็ดีหักไปหักมามีไวยกวากรณ์มีภาษาแบบนี้มีมนุษย์เพียนั้นที่ทําได้เป็นนึสมบัติเฉพาะของของมนุษย์ฉะนั้นการตัสเสียงของมนุษย์ก็เลยใช้เสียงที่เป็นภาษาที่มีความหมายสุบฮานลลอนะครับหรือว่าสุบฮานละลอวันธรรมดุ ล, ลิลลาจายาววันนี้กันแล้วแต่สันเสริญต่อละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วสิ่งอื่นละ่ะสรนเซิร์นยังไง กูอ่านบอกว่ามีการสันเสริญมีการตัศวีต่อเลาะแต่ว่าวาเลกินลายกาวูละตัสบีฮาหุมพวกท่านทั้งหลายไม่เข้าใจมันนะครับพี่น้องกันนึกไปว่ามดสันเสริมยังไงนะครับจูลินซีสรรเสริมเลาะยังไงหรือว่าหินดินสรนเสริมยังไงนะครับถ้ามองในทางกับการการที่เราบอกสุบาตอเลาะวันธรรมดุนินาานนลาลเนี่ยนกแกว้วช้างก้อนหินเข้าใจเราไหมก็ไม่เข้าใจเป็นภาษาของแต่ละ สรรพสิ่งนึกออกไหมแมวก็ไม่เข้าใจที่เราพูดนะครับเข้าใจบางคําสั่งพื้นฐานเราก็ไม่เข้าใจการสื่อสารของสิ่งต่างๆแต่ก็อ่านบอก ว, ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําการสั่เสริญต่ของลอสั่นเสิร์ฟยังไงครับ ส, สั่เสริญโดยการปฏิบัติตามคําสั่งของลออยังไงเอ่ยเวลาที่อัลลอฮ์สร้างจักรวาลสร้างสรงสพรพสิ่งขึ้นมาเนี่ยจักรวาลตอนนี้มันดูเล็กกันละก็จะเขาว่าเอกภพจักรวาลมันที่มองแค่ ระบบสุริยะใชเอกกพบจะใหญ่หน่อยนะครับเวลาสร้างสรรพสิ่งมรคลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยสรรพสิ่งเนี่ยต่ออัดต่อผู้สร้างหมายความว่าสร้างให้มีลักษณะอย่างไรมันก็เป็นไปตามนั้นโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงบางประการเกิดขึ้นมีไม่มีจะเป็น ดูการจิดเพียนอะไรกันแล้วแต่แต่ว่ากดพื้นฐานที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยทำไมเอ่ยยังมีลักษณะ ส, สถียนยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลง เ, เล็กน้อยอะไรไม่คุยกันนะในภาพ ร, รวมแล้วจะเหมือนเดิมนะครับเรายังมีแรงน้มพุ้ตงอยู่นะนึกออกไหมนะครับตอนที่นบีโยนนบียูซุปลงไปในบอ่อเนี่ยโยนไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ลอยขึ้นกาดกาศนะ้ตกลงไปในบอ่อ แรงน่องถวนสมัยนบียูซุฟก็ยังอยู่ในสมัยนี้นี่หรอไหมกฎเกณฑ์หินที่มันแข็งนะครับสมัยก่อนแข็งสมัยนี้ก็ยังแข็งแม่น้ําทะเลสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยนี้ก็ลักษณะยังค่อนข้างจะเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอันนี้ไหมครับการที่สาปะซิงต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามลักษณะที่อัลลอฮ์สร้างมันมาเหล่านี้มันตออัตต่อผู้สร้างจะมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการตัสเสียข้อมันก็ได้ เป็นภาษาของเขาเราก็ไม่พอใจนะครับจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตกันแล้วแต่ยังต่ออัดต่อผู้สร้างต้นมะม่วงก็ยังก็ยังเป็นต้นมะม่วงไอกลายพันธุ์ได้ไหมครับโดยภาพรวมเนี่ยเปลือกลูกใบนะครับยังเป็นแบบนั้นอยู่ต้นมะม่วงบางผมต้นมะม่วงบ้านพี่น้องต้นมะม่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะบางประการในคงเดิมอยู่มันยังต่ออัดต่อผู้สร้างของมัน ถ้าโลกนี้ระบบไม่สเสถียรนะพี่น้องเราอยู่กันไม่ได้ตายเลยครับะวันนี้มีแรงโน้มถ่วงพรุนี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับวันนี้ขับรถลราเบรกมีแรงเสียดทานเอาพรุนี้แรงเสียดทานยกเลิกไปแล้ววันนี้ใส่ ย, ยางพรุนี้ใส่ ย, ยางไม่ได้แล้วเพราะมันเบรกไม่อยู่โอ้โวุ่นไปหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับต่ออัดตออ่อรอดรอดสร้างเป็นยังไงมันก็อยู่ในระบบของมัน นะจะเป็นมดเป็นแมลงการโกจองของปลาย่ามีธรรมชาติมีสักณะกอมันมีแพทเทิร์นกอมันที่เราพอจะศึกษาได้คราวนี้สิ่งที่ว่าไม่ต่ออาตตอลล์เนี่ยนะครับมีอยู่สองสิ่งนะก็คือยินและก็มนุษย์ฉะนั้นในวันกิยามาวปูตุฮันนาสุวรณอิยาละเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยคือคือยินและมนุษย์ สิ่งอื่นต่ออัดหมดนะครับเป็นมารยาต่ออัดนะมียินและมนุษย์ที่แบ่งเป็นพวกที่ต่ออัดเชื่อฟังพักดีต่อลอลรอแล้วก็พวกที่ฝ่าฝืนดังนั้นสองสิ่งนี้เนี่ยในวันเกียร์มากถูกฟื้นคืนชีพมาครับแล้วก็ถูกสอบสวนมีการตอบแทนด้วยมีการลงโทษด้วยแต่ไอ้พวกหินพูกดินพูกปูนแบบนี้เนี่ยไม่ได้รับการตอบแทนในวันเกียร์มากนะครับนะ้าเอาคันนี้ อายาที่สี่สิบสี่นะครับปิดท้ายโดยคุณลักษณะของล้อสองประการครับหนึ่งคือฮาริมันนะฮาริมันเป็นผู้ที่ขันตินะครับเป็นผู้ที่หนักแน่นกัฟฟูรอเป็นผู้ที่ทรงอภัยสเสมอในะขณะที่สรรพสิ่งทุกอย่างซึ่งมันเยอะกว่าเรามากนะถ้าเรานับจํานวนจํานวนหัวเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มากที่สุดในโลกเนี่ยคือมแมลง ถ้านับจานวนหัวเนี่ยมนุษย์แพะแมลงนะถ้านับขนาดเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะมากมายที่มันตัวใหญ่กว่าเราถ้าเราถอยไปมองจากเครื่องบินเอาโดนมองเนี่ยตัวเราจะเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับจกักรวาลกับพบที่เหลือเนี่ยโอ้โหเล็กมากโลกมนุษย์นี่เล็กมากเราที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังเล็กเข้าไปอีกในขณะที่สรปสิงทั้งทุกอย่างเนี่ยตออัดตออละแต่มนุษย์ที่เล็กขนาดนั้นเนี่ยมีคนที่ฝ่าฝืนต่อลอละ ฉะนั้นถ้าอรรถลม่หั่นลีมันกัฟูฮอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยโดนทําลายไปหมดเลยนะครับทุกวันนี้ยังมีคนฝานออ่าฝืนเพราะว่าอรรถกัฟูฮอทําไมเอ่ยประวิงเวลาไว้เผื่อเขาที่จะตอบบ้านพระ อ, องค์จะได้อภั ย, ยโทษใดกับเขาวันนี้ผมกับพี่น้องมาวานเนี่ยน่าจะมีาบาปกันบ้างไม่มากก็ น, น้อยนะครับสมานี้าบาปมันเกิดขึ้นง่ายนะ แต่ว่าวันนี้ผมกับพี่น้องจะมีชีวิตอยู่ น, นนะณวินาทีนี้จะมีชีวิตอยู่ทําไมครับอลัลลอฮ์ให้โอกาสเพื่อที่เราจะอภัยโทษต่ออัลลอฮ์จะเป็นบาปเล็กแบบใหญ่กันแล้วแต่อย่าเป็นกอฟูรออยู่อลัลลอฮ์ฮารีมันครับถ้าอาลัลลอฮ์ไม่หนักแน่นไม่มีความขันติไม่เหลือเลยครับมนุษย์ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์จะไม่เหลืออยู่ในดุนยานี้แต่ว่าฮารีมันก่อฟูรอ นะขันตีอดทนแล้วก็เอภัยโทษต่อมาครับในอายะที่สี่สิหอัลลอฮฺตรัสไ ว, ว้ว่าว่าอิดาคาระทัานก้ออาน呐นะเมื่อท่านนั้นทําไมเอ๋ได้อ่านอันก้รอานจะอนนะใบานักกาวว่าใบนั้นลัดีนลายุมีนูนับินอาคิระฮียาบัมมาสตูรอเมื่อท่านได้อ่านก้ออ่าน เมื่อท่านบได้อ่านก็อ่านเนี่ยจันนาับนกะว่าไบนั่นนาดีนารายุลายุมนูนบินอคิระอัลลอ์ได้เอาฮียาบมัสตูรอเนี่ยเอามานกั้นฮยาบเนี่ยนะครับมุสิมาว่าลกุมิยาดเนี่ยมันมาปิดมันมากั้นกั้นเอารอมาปิดเอารอนะครับอัลลอ์ไดเอาม่านเนี่ยมากั้นระหว่างท่านท่านบิที่อ่านก็อ่านกับผู้ที่ไม่ศรัทธาในวันฮียามะ เป็นกั้นในที่นี้คือไม่ได้เป็นม่านจริงๆแต่ว่าสาระแล้วก็ทางนําของข้ออ่านเนี่ยไปไม่ถึงพวกเขาหลังท่านที่อ่านเหมือนกันนะครับสอบาสศรัทธาผู้ศรัทธาศรัทธาแต่ผู้ที่ปฏิเสธก็ยังดื้อดึงอยู่เพราะหนึ่งว่านะครับเหมือนกับมีม่านมากั้นหรืออาจจะเป็นมา่านจริงๆก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกั้นตรงนี้คือกั้นความเข้าใจ กั้นทางนำามาให้ไปถึงเขานะสิ่งที่น่าสนใจก็คือข้ออ่านยกประเด็นว่าลายุมินูเดบินอาคิโรคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาต่อวันอาคิเรนะคนที่ไม่ศรัท ธ, ธาต่อวันอาคิเรเขาก็จะไม่ฟังข้ออ่านด้วย มันก็โยงไปว่าพอไม่ศรัทธาต่อวันอาคีระแล้วก็ไม่ศรัทธาต่อคุอ่านด้วยเพื่อนโอหารในคุอ่านเนี่ยหนึ่งในสามพูดถึงหลักศรัทธาซึ่งหลักศรัทธาตรงนั้นเนี่ยนะครับข้อที่ห้าเกี่ยวกับวันอาคีราะมันจะผูกติดกันไปหมดคนที่ไม่เชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยไม่จบ ตายไปแล้วการงานที่ทําทั้งหมดสิ่งที่ผมพูดวันนี้สิ่งที่พี่น้องฟังนะครับหรือสิ่งที่พี่น้องทํำมาวานนี้จะถูกยกขึ้นมาตอบแทนอย่างยุติธรรมตอบแทนอย่างยุติธรรมนะครับอันไหนคือรางวัลอันไหนคือการลงโทษยุติธรรมในวันนั้นเพราะทําไมล่ะอัลลอฮฺเป็นทําไมเอ่ยเป็นผู้ที่ยุติธรรมนะอาดิลแล้วก็ฮะกีมเป็นผู้ที่ทรงปีชาญัญยิง่งในการตัดสินถ้าเราไม่เชื่อว่า มีการตอบแทนพิธีกรรมความนุษย์จะเปลี่ยนไปถ้าผมคิดว่าชีวิตนี้มันจบแค่6กสิบปีหรืออาจจะไม่ถึงในครณนี้ที่ว่ามีอุบัติเหตุนนะถ้าไม่มีวางคิร่านะถ้าไม่ศรัทธานะชีวิตจะเต็มที่วันนี้พี่น้องอะไรอยากทำอะไรจะทำเอาไว้เต็มที่เพราะเกิดมาครั้งหนึ่งต้องเต็มที่กับชีวิตนะแต่ว่าผู้ศรัทธาศรัทธาเชื่อว่า เต็มที่กับชีวิตก็เต็มไปนะแต่ว่าวันกิยามัติเนี่ยไอที่เต็มที่กับชีวิตเาลาเอามาสอบสวนหมดนะเราก็เลยมีความยัง้งอันไหนที่เป็นบาปบางทีพลาดไปแล้วรู้ว่าบาปแต่พลาดไปแล้วแต่วัดตรงต่อเราหรือบางทีกลัวาบาปก็เลยไม่ทําผลบุญที่ทําไปเราหวังในการตอบแทนอีมานันวัติซาบันศรัทธาด้วยว่ามันได้บุญแล้วก็หวังการตอบแทนเราก็เลยทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดี เอาล้อสั่งด้วยนะครับได้ผลระบุญด้วยเหล่านี้ที่ทําไปเนี่ยเพราะเราเชื่อในวันเกียร์มาสอนหนังสือก็ดีมาเรียนหนังสือก็ดีเนี่ยเป็นคําสั่งที่อลัลลอฮฺบอกว่าให้ศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจอิสลามเราคาดหวังผงกับพี่น้องคาดหวังว่าการ ง, งานในวันนี้เนี่ยนะครับจะนําไปสู่ผลบุญสู่น้ําหนักตาช่างความดีในวันเกียร์มาเราก็เลยมานี่อออมาแต่ถ้าบอกว่าวันเกียร์มาฉันไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้วเนี่ย พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปนะครับผมไม่มา น, น, นัง่งที่เผมก็ไปเต็มที่กับชีวิตนะครับไม่มีตังค์ทำงานเอาไงมันได้ถ้าป้นแล้วเขาไม่จับก็เอาถ้าโกงแล้วเขาจับไม่ติดก็เอาเพราะอะไรละ่ะอยู่ที่คนจับติดจะไม่ติดถ้าคนหมายเอาผิดไม่ได้ถือว่ารอดเต็มที่เลยนะครับเอาทรัพย์สินมาจะได้ไปปนเปยความสุขอะไรกันแล้วแต่แต่ติดที่ว่าศรัทธาตะวันกียรมากพอศรัทธาต่อวันกียรมาแล้วมันไปพ่วงอื่นด้วย ศรัทธาต่อวิกีมะร์และละเอียดในวิยีมาร์มีอรรถต่อสินอ้าวศรัทธาต่อพระเจ้าด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าเสร็จในวิกีมะร์มีท่านนบีการชฟาอ่า น, นันเป็นประชาชาติของท่านอ้าพวพ่วงไปด้วยเกี่ยวก็วอ่านอีกนะครับก็อ่านมาเป็นพยานยืนยันครับได้อ่านไหมได้ปฏิบัติตามไม้เกี่ยวก็วอ่านไปด้วยกระดอกระดัดเกี่ยวไปหมดเลยพอศรัทธาต่อประการใดประการหนึ่งก็แล้วแต่ไม่สามารถปฏิเสธหลักการศรัทธาที่เหลือได้เพราะมีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็แล้วแต่อาญานี่อลอเราบอกว่าผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานในวันกยียรติเนี่ยนะครับหมายถึงพวกมุชริกเนี่ยพวกมุชริกผู้ที่ตั้งพาคีเนี่ยประเด็นเนี่ยไม่ใช่แค่ประเด็นเจ้าวีหลายองค์อย่างเดียวนะประเด็นก็คือว่าไม่เชื่อด้วยว่ามีการตอบแทนจริงมีหลายประการที่ขัดกันเขาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในจเจวิในลูกปั้นสามารถให้คุณให้โทษได้ฉะนั้นจึงมีการเส้นไหวยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย เชื่อว่ามีการตั้งภาคีนะแต่ไม่เชื่อในวันปรโลกในอิสลามเนี่ยเราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเป็นพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าในวันปรโลกเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าจะมาตอบแทนจะมาตัดสินแต่ว่าผู้ที่ตั้งภาคีเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอานาจบรรดาในฝนตกให้การเดินทางค้าขายไได้กํารอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าความสัมพันธ์จบแค่โลกนี้โลกหน้าไม่มีการตอบแทน ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้กราบไหว้กับสิ่งที่ถูกกราบไหว้ก็เป็นความสัมพันธ์ในโลกนี้นะครับอันนี้แยกประเด็นการวปว่าแต่เกิดเราไปก่อนนะมาถึงพู้ตั้งบารีใ น, นนะครมักกะก็จบแค่นี้ฉะนั้นตายแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นดินพลดบีนําเสนอเนี่ยสิ่งที่ขัดต่อสิ่งที่พูกเขาเชื่อเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพระเจ้าองค์เดียวอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ว่าตายไปแล้วเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพอีกแล้วก็มีการตอบแทน ผูม้มากกาในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะบอกว่ามัวร์มัดคนเนี่ยเป็นกระดูไปแล้วเป็นดินไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นยังไงล่ะตายไปแล้วก็คือจบสิตายไปแล้วมันจะฟื้นยังไงล่ะนี่ก็คือจุดที่อิสลามแตกต่างกับความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมในขณะนั้นนะครับอันนี้พูดถึงในในในนคร ม, มากกะารพอไม่ศรัทธาต่อวันเกียร์มาแล้วเวลาท่านอัลเบีนกุรอาเนเนี่ยนะครับเนื้อหาของกุรอานเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะยอมรับได้เรื่องพระเจ้าก็ยอมรับไม่ได้แล้วมีอย่างที่ไหนเลยเขากลาบ่บวไหกันมาตั้งนานมาถึงมาแคนเซลหมดเลยไม่ได้แคนเซลองคเดียวนะยกเลิกบางองค์เพราะว่านี้ยกเลิกหมดเลยแล้วบอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับแล้วที่เรากล่าวไหว้กันไปจะทํายังไงละ่ะมันผูกพันต่อประเด็นหลายประเด็นนะครับเท่านั้นไม่พอตายไปแล้วยังไม่จบอีก พวกนั้นยังไม่เคยอธิบายชีวิตหลังความตายนะในขณะที่พวกอลูกิตาจะเป็นยะฮุดนาซาร์เนี่ยนะครับเชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแต่พวกมักกะไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายจะเห็นได้ว่าเวลาท่านอบีเผยแผ่เนี่ยภาระในการเผยแผ่หนักหน่วงนะคนเปรียบเทียบอะบีกั น, นบีมูฮัมมัดเอ๊ะทางแวนเดบีมูฮัมหมัดเนี่ยถึงได้รับการทดสอบเป็นอุลุนอัซมีนบีนัวเข้าใจเก้าย้าสปีอะบีมูซานเนี่ยไปเจอฟิลิเอาเต็งไปหมดนบีมูฮัมมัด สิบสามปีในะนะครมะ ก, กะสิบปีนครมาดินาแล้วทํามาถึงเปรียบเทียบกับนบีอุมมุมกรได้ในด้านระยะเวลาสิ่งที่เผชิญหน้าสิ่งที่นบีมูฮัมมัด ต, ต, ต, ต้องต้องทํางานในการเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นว่าเป็นเด็กกำพร้าอ่อนแอไป ม, มีคนปกป้องอย่างเดียวนะเนื้อหารายละเอียดในความเชื่อเนี่ย มันไปกันไม่ได้เลยมักกาเป็นจุดศูนย์กลายของการตั้งภาคีไม่ว่าเผ่าของคุณในค่าสมุทรอาราเบียจะมีเผา่าอตไรไปหมดไม่ว่าเผ่าของคุณจะบูชาจะเวริรูปไหนจะบูชาลูปปั้นรูปใดกันแล้วแต่คุณสามารถมาสักการะได้ในเทศากาลฮัทถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นโฆษณาเลยไม่ว่าคุณจะไหว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะรวมอาเวิตของคุณเนี่ยมาไว้ที่กาบาแล้วเทศการฮัชนะครับคุณก็สามารถมาตะว่าว่าเจ้าของคุณได้ที่มักกาในขณะเดียวกันก็สามารถว่ า, าเจ้าของเผ่าเพื่อนบ้านได้ด้วยฉะนั้นมักกาเป็นจุดศูนย์กลางของการตั้งภาคีในสมัยนูน้นนะนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะเวลานับีเข้าไปที่มักกาจะเห็นได้ว่าเวลาไปชินมักกาแล้วเจอจะเวิเตเต็มไปหมดนะครับที่บันทึกกันคือสามรอยหกิบหรือมากกว่านั้นเนี่ย มันเยอะนะเผามีกี่เผาล่ะนะครับแล้วก็มาที่นี่ไม่ว่าคุณจะกราบไหว้สิ่งใดนะครับถ้าเป็นโฆษณาการเป็นเนี่ยเจอกันที่มักกะเจอกันที่ฮัดปีนี้มาถึงอา่าวเจอพระเจ้าของเราสบายใจอ่าวกราบไหว้กันเป็นสงการของการตั้งวาคีและนบีเนี่ยต้องทําหน้าที่เผยแพร่หลักการท่ามการจุดสงการงการตั้งภาคีเนี่ยนะครับ พี่น้องคิดดูว่าความกดดันความหนักหนาการทดสอบหนักขนาดไหนเนื้อหาที่เผยแพร่ก็เขาเรียกว่าไปกันไม่ได้เลยกับความเชื่อที่มีมาก่อนบริบทในสังคมมรรทัดฐานของสังคมที่มีมาก่อนไปกันไม่ได้เลยนบีถูกทดสอบขนาดไหนให้นึกดูนะครับและอายะสุดท้ายในวันนี้ครับอายะที่46ครับอลัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าวาจะจันนาอัลากุลูบิฮิมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ มีฮิยาบันมัสตูรอมีม่านที่กั้นไว้นะไม่ใช่ม่านที่เป็นผ้านะกัน้นสิ่งที่กัน้นความกังวใจแล้วก็ทางนำกับพวกเขากับพวกท่าอ่านไว้วจันนา阿拉โกลูบิหิมอากินนาตันแล้วล้อก็ทำให้ทำไมเอย่ยหัวใจของพวกเขาเนะี่ยมีอากินนะอากินนะที่นี้ค็แปลว่าสิ่งที่มาครอบแปลว่าฝาปิดก็แด่เข้าใจง่ายนะครับซึ่งไม่ใช่ฝาแบบเป็นเชิงปุปมาอุปมา มีสิ่งที่มาครอบมาปิดหัวใจของเขาอายับกอหูหูนาทำไมล่ะปิดไม่ให้หัวใจของเขานั้นทำไมเอ่ยเข้าใจยับกอหูหูไม่เข้าใจพรอ่านวาฟีอาดาเนทิมวักรแล้วก็หูของพวกเขาก็ทำไมเอ่ยมีสิ่งที่มากัน้นเหมือนกันเหมือนก็หูหนวกเลย ทั้งๆที่เราไปอ่านก็อ่านอยู่ในทางกายภาพเนี่ยขึ้นเสียงไปถึงหมดแหละนะครับเนื้อหาก็ไปถึงแต่ไปถึงแล้วเนี่ยไม่ส่งผลใดๆเหมือนกับหัวใจของพวกเขามีฝาปิดไว้จะมีความรู้สึกจะลึกซึ้งจะศรัทธาอะไรกันแล้วแต่เนี่ยไม่ส่งผลมาขึ้นเสียงมาถึงหูจริงเข้าไปในหูจริงได้ยินเป็นเสียงจริงแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ยินเหมือนกับหูหนวกว่ากรอะอลักษณะ เหล่านี้แหละก็อ่านถึงบอกว่าเหมือนกับอิยาบัมมัสตูออมีม่านมากั้นไว้ไปไม่ถึงหูไปไม่ถึงใจนะครับนอกจากนี้ครับก็อ่านยังอธิบายต่อไปว่าวัยดาซักตารบบากะเมื่อท่านได้เอ่ยถึงพระเจ้าของท่านท่านอบีนะครับเอ่ยถึงพระเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์เนี่ยฟิลกูอาร์นิวฮัดฮูเอ่ยถึงอัลลอฮ์วะฮัดฮูองค์เดียว นะครับในกุานเนี่ยนะว่าเราอลาอัตบาริฮิมนูฟูรอเมื่อเอ่ยถึงประเด็นที่ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวในกุานทําไมเอ่ยว่าเราเขาจะหมุนตัวครับหันหลังให้อาลาอัตบาริฮิมนูฟูรอแล้วก็ตเตลิดหนีก็คือไม่ฟังไม่พูดเหมือนกับมีม่านมากั้นกั้นไม่พอนาไปไม่ถึงหูไปไม่ถึงใจ เมื่อไรก็แล้วแต่เอ่ยถึงประเด็นว่าเดาหูถึงอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยว่าต้องมีองค์เดียวในกัมภานเนี่ยหันหลังเลยนะครับนูฟูรอเหมือนกับตะเลิดหนีหนีไปไม่รับฟังใดทั้งสิน้นนี่คือสภาพทําไมเอยที่ท่านดะบีทําการเผยพแพร่ในนครมักการพี่น้องคิดวนหนักขนาดไหนนะพูดแล้วเหมือนกับพูดกับคนหูหนวกพยายามอย่างหนักก็ไม่เข้าใจนอกจากนั้นก็ หนีไปนะครับแต่ท่านนาบีก็ยังดํารงเขาเรียกว่าทําอามาน่าของท่านอยู่สิบสามปีในนครมักกานาบีเจอกับอะไรบ้างนะครับเวลาเราพูดถึงสิบามปีในนครมักกาเนี่ยเราจะเน้นไปที่การคุกคามทางกายภาพความรุนแรงท่านนาบีประสบสาวบ้าบางคนถูกทรมานท่านเบล้านถูกหินทับประเด็นเหล่านี้เนี่ย เราได้ยินได้ฟังกันข้างๆเยอะดีไม่ดีพี่น้องครับแต่ว่าประเด็นที่เราไม่ค่อยพูดถึงก็คือว่าความกดดนันด้านจิตใจน บ, บีได้รับขลัง ก, การคุกคามทางความรู้สึกอะไรบ้างบรรดาซาบ้านเนี่ยนะครับมีความกดดันอะไรบ้างนะที่ร่างกายมันได้เจ็บปวดเนี่ยแต่ความหนักหนาสาหัสที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกด้านหัวใจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตรงนี้เราไม่ค่อยนําเสนอกันเพราะว่าทางกายภาพเห็นชัดเนี่ยถ้าไปล้านเอาหินมาทับเห็นไหมหินทับคนเราก็นึกออกชัดตัวเฮ้ยมันมันยังไงล่ะมันหนักมันทรมานแต่ว่าได้ได้านความรู้สึกทาสผิวดำคนหนึ่งพี่น้องครับต่ำต้อยขนาดไหนผิวดํานี่ตําต้อยอานาไม่ใช่ดูถูกคนผิวดํานะแต่ว่าบรรทัดฐานของคนในสมัยนั้นแล้วก็เป็นทาสด้วยแล้วก็อยู่ใต้ขนาดนั้นถูกกดขนาดนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ย ประกาศตัวว่าศรัทธาตอนที่ตัดสินใจว่าจะศรัทธาเนี่ยพี่น้องมันกดดันขนาดไหนศรัทธาแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วมันนายจะว่ายัางไงเราเป็นทาสเขาจะฆ่าเขาจะแกงเขาก็ทําได้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยนะครับหนักหนาไม่น้อยกว่าน้าหนักของหินที่มาทับท่านบิลานนี่คือท่านบิลานนะครับคนอื่นดีละ่ะเต็มไปหมดเลยนะท่านอบูบัฟความรู้สึกที่บอกว่า ตอนที่ติดอยู่ในธรรมกับท่านอบีเนี่ยแล้วพวกมักกะล่าตัวเนี่ยท่านความรู้สึกที่ท่านอบูบักบอกว่าถ้าคนนั้นก้มมองสี่เท้านะ่ะเห็นแล้วแน่ท่านอบีถ้าเราซูนถ้าคนนั้นก้มลงมามองเนี่ยเห็นแล้วแน่พี่น้องเคยโดนตามล่าขนาดนั้นไมหมล่ะว่าล่าแบบล่าแบบล่าเอาไปนราตายเลยแล้วก็เชียวอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยยืนข้างหน้าแล้วแต่ไม่ก้มดูเนี่ยความกวนใจตรงนั้นหนักหนาขนาดไหน ท่านอบูบกักเลือกที่จะอยู่ท่านอบีให้ผูอื่นเอาพยกไปก่อนแล้วอยู่กับท่านอับบีเป็นตายท่านอบียสองคนเนี่ยพี่น้นองความเสียระดตรงนั้นด้านจิตใจมันหนักขนาดไหนนึกออกไหมนะครับความกล้าหาญของท่านอุมัตละ่ะเวลาเราพูดคือท่านอุมัตแบ บ, แบบนุ้นแบบนี้แต่ว่าวินาทีที่ตัดสินใจว่าศรัท ธ, ธาแล้วเนี่ยแล้วก็จะกลับไปประกาศตัวความกล้าหาญตรงนั้นหนักขนาดไหนฉันศรัท ธ, ธาแล้วใครมีปัญหาเข้ามา คนอื่นอ่อนแออยู่ยังเก็บอยู่ท่านอุมัตประกาศตัวฉันศรัท ธ, ธาแล้วการที่จะพลิกจุดยืนพลิกความเชื่อตัวเองเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยบางทีไม่เกิดขึ้นนะบางทีเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายๆนะครับราสารบ้าธนบีที่นะครั บ, เ, ร บ, บ, น บ, รบเนี่ยการทดสอบด้านจิตใจตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เราบางครั้งยังไม่ค่อยนำเสนอพอพูดไปแล้วมันเป็นความรู้สึกมันจับไม่ชัดเี่ย นะครับก็ไม่ได้ใครผิดใครถูกแต่ว่าพยายามนำเสนอให้ให้ครบทุกมุมมองนะในช่วงท้ายของเวลานะครับผมทวนนะประมาณ10นาทีวันนี้ในทับซีดนะครับเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาอยู่นะครับสุตตุนอิสระนะครับวันนี้5าอายาอายะที่4ี่ถึงอายาที่อายะที่4ี่อายะที่4ี่ถึงอายะที่4ี่ นะครับในอายะที่สี่สิบสองเนี่ยก็อ่านลองให้พวกเขาคิดดูว่าถ้ามีเจ้าหลายองค์กามายากูลูนะ่าเหมือนที่พวกเขาต้องการจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงสุดท้ายอิรัตะเราอิลาเด่นอรชิเสบีลาสุดท้ายเจ้าหลายองค์ตรงนั้นก็จะไปจำนวนต่อเจ้าสูงสุดอยู่ดีนี่ออกมาสุดท้ายก็ต้องไปจำนวนต่อเจ้าสูงสุดอยู่ดี อย่างไรกันแน่แต่นะครับสุบฮานอาหวาตาลาอมัมมายาคูลูนาอุลูวันกะบีรอส ม, มุติตรงนี้นะอลัลลอฮ์ไม่อลัลลอฮ์สูงส่งกว่าข้อสมมติตรงนี้นะครับสูงส่งแล้วก็พ้นจากไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับกับสิ่งที่พวกเขาอ้างสิ่งที่พวกเข า, า, าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อุลูวันกะบีรออยู่เหนือกว่าอย่างอย่างใหญ่หลวงนัยะที่สี่สิบสี่ครับเราเห็นว่า ทุกสรรพสิ่งมรคลุที่ถูกสร้างนั่นนะครับจะเป็นเอกภพนี้แผ่นดินนี้นะครับหรือว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตอนุษย์ต่างดายังไม่รู้มีไม่มีแต่ถ้ามีนะครับสัตว์โมเลกุลบางอย่างพืชบางชนิดเนี่ยเราเพิ่งค้นพบนะเรายังค้นพบไม่หมดนะสายพันธุ์บางอย่างเนี่ยเพิ่งค้นพบดักแด้ก็ยังค้นพบไม่หมด ตัวนอนปีสรงบีเสื้อเนี่ยสิ่งที่เรามีเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยนะครับในโลกนี้เนี่ยนะแล้วก็นในเอกภพทุกสปปรรพสิ่งทำการสั่งเสริญต่ออัลลอฮ์หมดยังเชื่อฟังต่ออัดต่อคำสั่งของผู้สร้างสร้างให้เป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นโลกนี้เนี่ยโดยอายุ ป, ประมาณสี่พันห้าร้อยล้านปีนะครับเอ่อโดยธรรมชาติของมันเนี่ยยังเป็นแบบนั้นอยู่ลักษณะ การโครจรการหมุนการวันการคืนอะไรก็แล้วแต่แม้จะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างบางประการแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นไปตามบัญชาของอัลลอฮ์อยู่หลักฐานก็คือว่าเมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมเอ่ยมันออกนอกเหนือธรรมชาติของมันเนี่ยปกติวิสัยของมันมันก็เป็นตามนั้นเช่นเมื่ออัลลอฮ์ต้องการให้น้ําทะเลซึ่งมันปกติน้ำเนี่ยมันจะรักษาระดับนะรักษาระดับ เช่นถ้ามีเวลาเขาทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยเอานา้ําเอาขวดลวหลายขวดเนี่ยทำไมเราเจาะรูถึงการภเทน้ําอันหนึ่งปุ๊บน้ํา ม, มันจะแหลกไปขวดอื่นๆด้วยมันจะเท่ากันนั่นคือลักษณะของน้ําธรรมชาติของมันนะครับเวลาที่พี่น้องเคยเห็นรถโคกไหมเวลาเขาเอาถังไอ้รางโคกลงมาจะลดเฉ็นเนี่ยเวลาเข็นเนี่ยน้ํา ม, มันจะมันจะไหวไหวพี่น้องไปดูเดียมันจะเท่ากัน ลักษณะการผมไม่ใช่ขวดนี้เอนซ้ายขวนี้เองขวาน้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนั้นคร น, นี้เมื่อวันหนึ่งอัลลาอฮ์ต้องการให้มันออกนอกเหนือจากปกติวิสัยของมันเหมือนกับตอนที่ฮัตตนอบีมูซาอะลัยสลามเดินข้ามทะเลแดงน้ําก็ตออ้องแยกไปไฟที่บกติร้อนเนี่ยนะครับเผาได้อุณภูมิลักษณะแบบนั้นแต่เมื่อวันหนึ่งอัลลอฮ์บัญชาว่าอยานาโรกูนีบักรัดาววะสาลามันอะลอัยบักรักฮิม วันอื่นให้ต่ออัด ต, ตามธรรมชาติไปแต่วันนี้ไฟเอ๋ยจงเย็นและให้ความสันติต่ออิบรอฮิมไฟการต่ออัด ต, ตามนั้นสุขสรรค์บบสิ่ในโลกนี้เนี่ยนะครับในโลกนี้มายถึงเอก ภ, ภพนี้ทั้งหมดเนี่ยต่ออัดหมดนะการต่ออัดนั่นแหละคือการตั้งเสียง ข, ของมันบางทีเราก็ทราบบางทีเราก็ไม่ทราบเราไม่ได้ยินมันไม่ใช่เสียงมันเป็การสะเทือนมันเป็นคลื่นที่อยู่นอดเนื้อ หูเราจะจับได้อะไรกันแล้วแต่ตออ่ออัดมีสองอย่างนี่แหละพี่น้องที่หมตออาต่ออัดคือยินและกมม็มนุษย์มันจะมนุษย์ทุกคนนะมนุษย์บางส่วนฉะนั้นยินและมนุษย์คือในวันกีอามาสเนี่ยนะครับมีการตอบแทนเนี่ยได้สวนสวรรค์แล้วก็บอกูดูอันนาสวรรณิยาเขาเป็นเชื้อเฟิงของไฟนรกด้วยอายะที่สี่สิานะครับอายาที่60พูดถึงลักสนาของผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธา ส อ, อายะนี้เนี่ยพูดถึงสองประเด็นนะหนึ่งเวลาพูดถึงวันอาคิร์รอนเนี่ยไม่ฟังละโมัหมัดจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะแต่พอปุ๊บวันอาคิร์ร้อมีการตอบแทนมีการฟื้นคืนชีพเนี่ยเหมือนกับเบียร์อะรมากัน้นไม่ลับฟังละอาจจะอยู่ตรงนั้นในสถานที่นั้นแต่ว่าปิดละตาลอยไม่ฟังแล้ะหรือว่าザกาตารับบาก้าฟีโกอาเนวะดาเมื่อพูดถึงอลัลลอฮ์ในลักษณะที่เป็นวะฮัดฮูเป็นเจ้าองคเดียวเนี่ย ไม่ต้องคุยกันแล้วนะครับว่าเราอลาอัตตาบัยบุนูฟูรอนี้ไปหมดพี่น้องครับภาพของคนที่เวลาที่เราพูดแล้วนําเสนอแล้วแลวเขาไม่ฟังเนี่ยถ้าพี่น้องกลับไปดูความภาพภาพของฟิราอูเนี่ยเห็นชัดมากฟิราอูอาจจะเป็นมนุษย์ถ้าผมผมถ้าพูดอาจจะพูดผิดนะแต่ว่าเท่าข้อมูลที่มีเนี่ยเป็นมนุษย์คนเดียวในโลก ที่เผชิญกับมยยีาสานมากที่สุดถ้านับจำนวนเนี่ยนะครับถามว่าคนอื่นเจอมวยยีาสากี่ครั้งไม่รู้นะครับนับไปหนึ่งครั้งสองครั้งนํารุทเจอกี่ครั้งแต่เฟราเอวเนี่ย <c oughs> เจอเยอะที่สุดไล่ตั้แต่สมัยไหนแล้วแ ต, แต่ชักมือเอามาเป็นแสงแตะตงูแล้วก็พายพิบัติ0ิบประการคือ เป็นคนที่เห็นโมจิจาดโมจิจัดเนี่ยให้พี่เอาเห็นตอนหน้าต่อตานเนี่ยอาจจะมากที่สุดถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยพี่เอาน่าจะมากที่สุดในโลกแล้วคนอื่นเห็นครั้งเดียวอาจจะตายอาจจะมาจะเห็นซ้ำแต่พี่เอาเนี่เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกแต่ว่าสุดท้ายยังไม่ศรัทธา มันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ว่าเห็นโมจิสาดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ศรัทธาเราอาจจะเข้าใจจากสองอาย่านี้ก็คือสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารับฟังสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยมันไม่ส่งผลต่อเขาหรอกเพราะอะไรครับอะลากลูบปหิมอากินนัดันหัวใจเหมือนกับมีอะไรมาปิดไว้มีฝามาปิดไว้นะพอฟีอาญาในที่มุกคารแล้วก็ทาไมเอ่ยหูเนี่ยก็เหมือนกับ มีอะไรมากั้นไว้เหมือนกับหูหนวกลักษณะแบบนี้คนที่ปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยเิร์เอลเนี่ยนะครับทำไมเออแล้วม่รับการตอบบัตรทั้งๆัที่ก่อนจะตายเนี่ยทําไมเออบอกว่าศรัทธาแล้วเพราะวิญญาณมันจะออกอยู่แล้วไม่รับการตอบบัตรแล้วเห็นทุกอย่างตรงนั้นแล้วแต่ไม่รับการตอบบัตรสภาพตรงนั้นกูอ่านบอกว่าเป็นเฮียบัมมาสตูรอเป็นม่านที่กัน้นถ้าม่านทุตสมมุติแยกชายหญิงนะมาม่านกั้นทั้งนี้นะ มองขวาไม่เห็นมองซ้ายไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นม่านกั้นทุกด้านล่ะไม่ว่าจะมายังไงกันแล้วแต่ไม่ฟังเมครับเหมือนกับอยู่ภายใต้ม่านที่มันกั้นทุกด้านเลยนะครับถ้าเห็นจะอยากเห็นภาพจะชัดดูภาพของเฟอร์เอน่าจะชัดคนอื่นก็อาจจะเห็นมโนยิสาร์เยอะแต่ว่าผมาว่าฟอร์เอาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ว่าบุคคลพิเศษในโลกนะครับเห็นเยอะที่สุดแล้ว นะไม่นับบรรดาละบงนบีนะฟิร์อาลเนี่ยเห็นในฐานะที่ผู้ต่อต้านเป็นผู้ต่อต้านด้วยมากที่สุดในโลกแล้วก็ ย, ยันยืนยันว่าฉันจะยังไม่เชื่ออยู่ฟิร์อาลนี่ถือว่าเป็นหัวเลยนะครับของความดื้ออ้อาววันนี้ครับหมดเวลาแล้วฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับบาริบ ล, ลาฮิตตฟิวนฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮีวะบรากาตุลลา ครับผมเป็นเป็นพระ น, นามของเราครับเออเป็นเป็นพระ น, นามด้วยเวลาพูดถึงพระ น, นาขงขวัลลวเป็นพระ น, นามด้วยและเป็นลักษณะด้วยนึกออกไหมขอผพูดนิดนึงสมมุติว่าผมเนี่ยชื่อสมชายอันนี้เป็นชื่อแต่ผมอาจจะไม่สมชายก็ได้เขาจะว่าผมอาจจะไม่แมนนะ่นนึกออกไหมคือถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยชื่อกัลบลักษณะบางทีไม่ไม่คล้องกันนี่ชื่อสมหญิงแต่ห้าว นึกออกไหมแต่ว่าพระ น, นามของอรรณ์เนี่ยพระ น, นามกับชื่อเนี่ยตรงกันเมื่ออรรณ์บอกว่าก็ครูเขเนี่ยเป็นพระ น, นามด้วยแล้วก็รอรรณ์มีลักษณะแบบนั้นด้วยนึกออกนะครับโอเคครับ